พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28ธันวาคม2556มีชื่อเรื่องว่าสมาธิอบรมใจตั้งใจสมาทานศีล ก่อนที่จะสมาทานสินหลวงพ่อจะอธิบายหรือว่าพันลนาคุณค่าของสินให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อทำความเข้าใจเพราะว่าพวกเรามาจากจากตุรทิศหลากหลายในวิชาอาชีพการครองชีพเข้ามาสู่วัดบางท่านบางคนก็ยัง ไม่ได้ศึกษาเพราะไม่ได้บวชเรียนเขียนอ่านถ้าว่าใครก็ตามได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสน า, า, าแล้วก็คงจะเข้าใจในเรื่องศีลห้าและเคยบวชชีมาก่อนก็คงจะพอรู้ในเรื่องของศีลแต่บางคนก็เข้ามาใหม่ว่าเขารับสีงก็ลรับไปตามที่เขารับไปเพราะศาสนาพิธีเราเข้ามาในชุมชนกลุ่มไหนเราก็ปฏิบัติตามเขาตามนัน เขาพาไปแล้วก็าทำาไปเราจะไปคิดไปวิจาร์กกลัวบาปเพราะว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราไม่รู้เราจะไปวิจาร์หรือว่าไปถามใครก็อายเขาทั้งที่เราเป็นชาวพุทธสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในพวกในใจของพวกเราเลยไม่รู้ตลอดไป อยากจะรู้แต่เขาไม่รู้รู้อยู่แต่ไม่ละเอียดในเมื่อไม่ละเอียดเขาทำพิธีกรรมยังไงแล้วก็ทำตามเขาเพื่อให้มันจบจบไปนี่แหละโดยมากหลวงพ่อเองได้ดูดูพุทธศาสนิกชนจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถาว่ามีอะไรเกิดขึ้นมงคลตื่นข่าวก็ตื่นตูงตื่ น, ต, นตามไป แต่หลักของตักม์ทำคาสอนของพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันนี้ก็ศสินห้านี่ยก็คือการกระทําทางกายและวาจาของพวกเรากายคืออะไรคือร่างกายวาจาคือคําพูดแต่ว่าก่อนที่จะออกมาทางกายทางวาจาก็ต้องใจคิดซะก่อนเพราะฉะนั้นสินี่อยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รู้เรื่อง ของศีลทั้งหลายทั้งมวลและก็แสดงออกมาทางกายและทางวาจาเพราะฉะนั้นเรื่องศีลมายังพันเตวิสูงวิสูงรักณัดถายยติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะข้าไปเจ้าขอสมาทานศีลเป็นข้อข้อคือข้อหนึ่งถึงข้อหเป็นข้อข้ อ, ข อ, ขอแต่มายังพันเตติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ ข้าพเจ้ารักษาศีลรวมกันทั้งห้าข้อนี่นะคืออาราธนาศีลก็มีสองสองอย่างเหมือนกันนะสองมาตรฐานในสองเรื่องราวแต่ว่าพวกเราไม่ได้ได้ยินจากครูบาอาจารย์แล้วก็เหมือนอันเดียวกันแต่ทําไมไม่ไม่เหมือนกันทําไมพูดเป็นสองทำไมวิสุขวิสุขทาไมปัญจนะศีลาอันนี้ก็คือถ้าว่าเราจะวิจารณ์แล้วเราอยากจะถามอ แล้วก็คงสงสัยแต่นี่เป็นเรื่องของพระของเจ้าเราเขารับไปเราก็รับไปไม่เห็นจะผิดที่ตรงไหนเขาพารับไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือแนวความคิดแต่ตามไม่จริงมีสองอย่างนั้นจริงๆคือรักษาเป็นข้อขอดข้าพเจ้ามั่งฟิสสูงวิสูงสินขาดข้อที่หนึ่งคือการฆ่าจัดอ่าเราก็ขาดไปข้อหนึ่งไปขมโมยของเขาสวมรองเท้าของเขาขโมยรองเท้าเขาขาดสินข้อที่สอง ไปพูดลับๆละลวงสามีภรรยาของของคนอื่นเขาก็ผิดสินข้อที่สไปโกหกคนอื่นผิดข้อที่สี่ไปดื่มสุราเข้าขาดข้อที่ห้าเนี่ยคือว่าวิสูงวิสูงขาดเป็นข้อแต่ปัญจาศีลาในรักษาสินรวมกันทั้งห้าข้อข้าไปเจ้าจะรักษารวมกันทั้งห้าข้อนั่นเมื่อขาดข้อใดข้อหนึ่งก็คือขาดทั้งหมดอันนี้ก็คือที่ราหกข้ กลาวราษฎรนาขอสินแต่หลวงพ่อว่าตามไม่จริงลงทุนทั้งทีก็ควรจะสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยควรจะรักษาทั้งห้าข้อท่านหลักให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ใช่ทําเยอะๆแยะๆเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้เข้าใจตามที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังว่าอารฎรนาศินสองอย่างนะั่นคือเป็นลักษณะอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบ จากนั้นก็พูดทางตั้งนโมเสก่อนนะนโมตัสสะภะคะวะโตความแปลหรือความหมายว่าข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือนโมเลยแปลว่าอย่างงั้นนะแต่เป็นภาษาบาลีนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัะแต่แปลเป็นภาษาไทยออกมาแล้วว่า ข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัส ม, มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสรุปแล้วก็คือพุทธศาสนาเนี่ยปิ่นอยู่ได้อยู่ได้เพราะประวัติศาสตร์ทําไมจะว่าประวัติศาสตร์เราจะทํากรรมด้วยจะทํากิจกรรมอะไรก็าตามอย่างรับศีลไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนเคล้ายๆว่านึกถึงบรมครูาศาสตาของพระพุทธเจ้า ถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราพวกเราปฏิบัติอยู่นี้เนะ่ยเป็นทำคําสอนของพระพุทธเจา้าไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นจึงเราจะรักษาศีลห้าเราก็ต้องหว่านน้โม่ซะก่อนนอบน้อมพระพุทธเจ้าว่วาศีลห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าทั้งหลายยอมรับว่ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงเนี่ยข้าพเจ้าจึงหนอขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนที่พวกเราจะรับศีล น, นี่แหละคือว่าหน้าโม จากนั้นพุทธทงังทัศรนางคดฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งดุติยัมปีพุทธทงังตาติยมปีพุทธทงังแล้วก็ตาติยมปีพุทธทงังสามครั้งสรุปแล้วก็คือข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรตตาารมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งยืนยันทั้งสามครั้งอ่าตุติตาติจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศีลปานาติปาตาเวรมานี ข้าพเจ้าขอรักษาศีลห้าข้าพเจ้าจงหดเว้นในการฆ่าะเพราะว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเรามักเขามาฆ่าเราล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรเราก็เสียใจเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นอย่าคิดฆ่ากันศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาอย่าขโมยคนอื่นเขา ถ้าเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจถ้าเราไปขโมยวัวควายของเขาลูกหลานของเขาไปเรียกค่าไถ่ถ้าเขามาขโมยวัวควายรถลาของเราลูกหลานของเราไปเรียกค่าไถ่ล่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นให้สํารวมระวังอย่าขโมยซึ่งกันและกันนี่สินข้อที่สองข้อที่สมให้สํารวมระวัง สามีภรรยาลูกหลานของเขาเขาก็รักสังงนห่วงแหนของเราละ่ะเราก็รักเช่นเดียวกันถ้าใครมาล่วงล้ำสามีภรรยาลูกหลานของเราเราก็เสียใจเพราะอะไรเพราะว่าเอเรารักสังวนห่วงแหนเขาก็เช่นเดียวกันเเขาก็รักเหมือนกันกันกบเราวานนั้นให้เคารพจิตซึ่งกันละกันอันนี้คือสีนข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาาเวรมานีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขา ถ้าเราไปต้มตุนโกงหกเขาเขาก็เสียใจอย่างเอาเงินปลอมเนี่ยเราก็รู้ว่าเงินใบนี้ปลอมเราไปให้เขานีอเขาก็ได้เงินว่าเป็นของเงินจริงเงินแท้เมื่อเขารู้ว่าเป็นเงินปลอมเขารู้สึกเป็นยังไงเขาเสียใจเพราะว่าสิ่งของของเขาเขาขายไปหมดแล้วถ้าเขามาให้เราล่ะเราเสียใจไหมโกงหกต้มตุนหลอกลวงมีมากทุกวันมีมากจริงๆริเช็ต่องเช็เตงอะไรก็มีอะไร มากมายหลอกลวงตะกลัวย้อมให้เป็นทองคําอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละโกหกคํานี้แนะหละทำให้เสียหายสรุปแล้วก็คือศินของพระพุทธเจ้าให้พวกเรานึกดูสิว่าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราถ้าเขามาทํากับเราเรารู้สึกเสียใจ เมื่อเราไปทำให้กับเขาขอก็เสียใจเพราะนั้นให้ครบสิทธิจึงกันละกันในละสินห้าของพระพุทธเจา้าข้อที่ห้าสุราเมรยามัชประมาทการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อพวกเราดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติทำความชั่วด้ทุกอย่างอย่างน้ำเมาคือสุราและเมลัยสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบีย จากอาคารชายยาฝิ่นเฮโลอินทุกวันนี้มีมากยาเสพติดทั้งหลายพอดื่มและเสพเข้าไปแล้วขาดสติอันนี้จัดเข้าว่าเป็นของเหมืนเมาจัดเข้าเป็นสุราทั้งหมดจะเป็นฝิ่นเป็นเฮโลอินจะเป็นอะไรก็ตามถ้านเสพเข้าไปแล้วขาดสตินเมื่อขาดสติแล้วทาความชั่วอะไรทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ะลาบละ ล, ล, ะลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหก ต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้เพราะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าเป็นศีลคุ้มของโลกจริงๆถ้าโลกทั้งโลกอยากจะให้ได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขนั่นแหละควรมีศีลห้าถ้ามีศีลห้าทุกคนแล้วพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันคุกตารางยังไม่มีคนอยู่ในคุกจะหมดร่อยหลอลงเรื่อยๆแต่ทางว่าพวกเรายังส่งเสริม อยากจะรู้อยากจะได้อยากจะอยู่อยากจะได้สัมผัสรู้อยากจะรู้คุณค่าของศีลแต่ไม่ปฏิบัติแต่ไม่รักษาเหตุแต่ต้องการผลผลของศีลห้านี่คือความสงบพุ่มเย็นเป็นสุขอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแต่พวกเราไม่ยินดีในในการรักษาเหตุในเมื่อเหตุแต่ไม่รักษาเหตุแล้วผลไม่จะออกมาอย่างไงเหตุคือคนไม่มีศีลห้านะ จะเป็นยังไงเดือดร้อนไปทุกหัวและแหนอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าเป็นศีลที่มีคุณค่าจริงเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเมื่อรู้ว่าคุณค่าของศีลมีแล้วถึงใครจะไม่รักษาศีลห้าก็ต่อข่าพรเจ้ารู้ว่าคุณค่าของศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าใหดังตรัสไว้แล้วดีแล้วนี้ข้าพเจ้ารู้คุณค่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าถึงใครจะไม่รักษาก็ตากข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้า เพราะว่าศีเลนะสุขติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศิลป์ศีเลนะโภก็สัมปทาผู้จะมีโพคะสมบัติได้เพราะศิลป์ศีเลนะนิพุติิงยันติผู้จะไปสู่นิพานได้เพราะศิลป์เพราะพระพุทธเจ้าท่านยืนยันอย่างนั้นวันนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเมื่อรู้คุณค่าของศิลป์ของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราก็ควรจะใส่ใจในการสมาทานศิลป ต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะเนพุติงยันติตัตถมาสีลังวิโสธาเยอืมต่อนนี้ไปตั้งใจฟังแล้วก็งดในการถ่ายภาพที่มีฝันนะแล้วก็ ไม่แฟดไม่มีแฟดกัน ง, งดซะก่อนจะไปหาถือว่าสําคัญะถ่ายภาพเฉยเฉยหลวงพ่อเองไม่อยากจะให้ถ่ายภาพหลวงพ่ออีกต่างหากถ่ายไปทําไมพ่อถ่ายไปมากๆหลวงพ่ออินทะเลาะทาร่าอยู่ในถังขยะนั่นฮะมันไม่ใช่ของดีนะแต่นนท์หนทางที่ไหนมีจะรวบหลวงพ่ออินปูเกลื่อนไปหมดฮนะเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองไม่อยากจะเสริมในการถ่ายรูปถ่ายไปทําไมฮนะแล้วก็เวลาหลวงพ่อพูด กำลังเทศอยู่ถ้ามีใครโทรศัพท์ให้ปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราฟางังธรรมถึงเราจะไม่ถึงเราจะเป็นพาาระรหันต์แล้วก็ะเทอนนะแต่โทรศัพท์เกิดขึ้นมันราคาญคนอื่นแต่ เ, เขาจึงเป็นปุ้ตุชนอยู่ เ, เขาจึงรับไม่ได้เสียสมาธิในการฟังให้เคารพสิทธิ์กันในเรือเมื่อเราเข้ามาในชุมชนกลุ่มไหนเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ในชุมชนกลุ่มนั้น ให้เคารพซึ่งกันและกัน เ, เพราะว่าเรามาฟังฮะช่วงนี้เรามาฟังเราไม่ใช่มาคุยกันเราไม่ใช่มาคุยโทรศัพท์เอออยากจะถุยโทรศัพท์มาทำไมไมาอยุ่นั่งหยุดนี่ทำไมเอาไปคุยที่อื่นก็ได้หรือว่ามาคุยต่อหน้าหมูต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มันบูดีอย่างนั้นใช่ไหมฮะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะไปนสถานที่ใดหลวงพ่อเนี่ยบอกตรงๆให้ฟังอย่างนี่แหละ เอาไปคิดดูสิเอามือกายหน้าภากที่ไปกลับไปถึงบ้านนะกายหน้าภากด้วสิหลวงพ่ออินพูดถูกไหมหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดถูกนะหลวงพ่อจึงพูดนะทําใดก็ตามที่หลวงพ่อพูดไปแล้วหลวงพ่อมั่นใจในคําพูดของตนเองว่าหลวงพ่อพูดถูกเหลวงพ่อจึงพูดนะอ้าวต่อเนี้ไปตั้งใจฟังหลวงพ่อจะเท้าความให้กับพวกเราคณะทาญาตทยมงานของหลวงปู่ของเราก็ตั้งแต่ หลวงปู่จากไปตั้งแต่วันที่19มกราคม56แต่อีกไม่กี่วั น, นก็กลองจะเป็น57เข้ามาแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2556จากนี้ไปหลวงพ่อนับข้อมือดูแล้ว9วัน จากวันนี้ไปไปถึงวันพระราชทานเพลิงสรีระของหลวงปู่วันที่๕มกราคมพุทธศักราช2557พวกเราก็คงจะได้ไประชุมเพลิงหรือพระราชทานเพลิงองค์หลวงปู่ยามของพวกเราในวันและเวลาดังกล่าวเพราะะฉนั้งกําหนดการของพวกเราก็ทราบกัน ร, รู้กันอยู่แล้วนะนี่แหละเรื่องงานของพวกเราตั้งแต่ เริ่มมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นท่านหลวงพ่อประเมินออกมาแล้วทุกอย่างงานของหลวงปู่ของเราเนี่ยมาถึงณเวลาวันนี้หลวงพ่อประเมินออกมาว่าแปดิบเปอร์ซนตงานของเราแต่ก็งานที่จะว่าเต็มร้อยนะ่าคงจะไม่มีแต่จะขาดเหลือขาดตกมากน้อยแค่ไหนแต่หลวงพ่อมองดูแล้วว่างานที่พวกเราเตรียมรับคู่คน หรือว่าสถานการณ์ทุกอย่างเดี๋ยวนี้ป่าเข้าไปปัด8ปเอเซเี่ยวที้ว่าคงจะเสริมกันบ้างเนิดหน่อยแต่พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมโรงทานต่างๆก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆกำลังหนาแน่นเข้ามาเรื่อยๆแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่มาทำบุญจะจะให้เหมือนมีความสุขสนุกสบายเหมือนกับอยู่ในบ้าน ก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเครื่องอำนวยความสะดวกของพวกเราค่อยๆว่าพวกเราออกสนามกันแล้วกัน อ, ออกมาบำเพ็ญกุศลเราสุขก็เคยสุขอยู่แล้วสะดวกสบายอยู่แล้วอยู่ในบ้านออกมาทดลองหู่เอเซิอยู่ในมาออกมาในชุมชนสังคมนี่เราก็ต้องใช้คันติคือความอดทนในจิตในใจของพวกเราด้วยนะศรัทธาญาติโยมบุญเป็นของหาได้ยากนะ ไม่ใช่ของหารได้ง่ายเป็นของหารได้ยากเพราะนั้นการที่จะได้บุญมันก็ยากเราก็ต้องบำเพ็ญยากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญนี่แหละเพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับลูกหลานคณะสาาัตยาจายโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาร่วมในงานขององค์หลวงปู่ของพวกเราขอให้พวกเรามีความอดทนเป็นเบื้องตน้นแล้วก็บาเพ็ญกองการละกุศล ทั้งๆ ต, ต, ตลอดถึงพระสงฆ์สัมมาเนนญาติธรรมของหลวงพ่อน้องหนุ่งของหลวงพ่อก็คือพระสงฆ์ก็ขอให้มีความอดทนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอยู่นาสถานที่ใดก็ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเราไปนาสถานที่ใดเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าสากยบุตรนะ ไปอยู่ในสถานที่ใดเราก็ควรรักษาสิลรักษาธรรมเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มฉันใดถึงนักอวกาศจะถือเกลือขึ้นไปอยู่ยาอาวกาศถึงดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์ไหนก็ตามเกลือก็ยังเค็มอยู่อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เราไปอยู่ในสถานที่ใดก็ให้รักษาความคุณงามความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มฉันนั้น่นี่แหละขอฝากไว้กับ น้องหนุ่งทางไลยต่อตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วม ง, งานของหลวงปู่ถึงยังไงก็ให้มีความอดทนเรามาเสียสละมาสร้างบุญกุศลเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงปู่แต่งานนี้งานทุกอย่างมีอุปสรรคไหมเราเองก็ไม่เคยเห็นะว่างานไหนไม่มีอุปสรรคแต่จะมากหรือน้อยที่นั้นเท่านั้นเอง แต่งานลกปู่มีไหมก็มีแต่ถึงยังไงครัเราก็พยายามฝ่าฟันรล้ว่าพยายามแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่ถึงยังไงกับวันที่ห้านี่แหะ ว, วันที่หมกราห้าเจ็ดนี่แหละถึงยังไงทุกอย่างก็คงจะสําเร็จลุล่วงลงไปด้วยดีคงคงไม่มีอะไรขอให้พวกเราทุกทุท่านคณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมนะ ต่อไปนี้ก็อย่างที่อาจารย์พระครูท่านพูดนั่นแหละว่าตั้งแต่วันนี้แหละจะมีการสวดพระอภิธรรมทุกคืนตั้งแต่คืนวันที่28จนถึงวันที่สี่พวกเราจะมีการสวดแล้วก็มีการแสดงธรรมวันนั้นขอให้คณะสัายาธาญญาิโยมที่ใดว่างที่จะมาฟังเทศฟังธรรมก็หาได้ยากนะ เพราะว่างานอย่างนี้หาได้ยากที่มนุ์ครูบาจารย์มาจากจาตุระเทศมาจากทิศ ต, ต่างๆเราก็พยายามคัดสรรครูบาจารย์ที่เป็นองค์แสดงธรรมให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาหาได้ง่ายเมื่อไหร่เพราะนั้นควรจะใส่ใจในการได้ยินได้ฟังในการมาศึกษาในการบําเพ็ญคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราในเมื่อลุงปู่จากไปแล้วเราจะเรียกร้องโอ้ย อยากจะให้เหมือนเมื่อหลวงปู่ได้ฟังเทศฟังธรรมได้มาไหว้พระโสดมนี่พวกเราคงจะหาอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้วต่อไปเพราะฉนั้นวันนี้การเวลานี้มาถึงพวกเราควรจะเสียสละความสุขากายของเราบ้างออกจากบ้านเคหสถานมาเพื่อบําเพ็ญมาสร้างบารมีมาบําเพ็ญบารมีมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศ ล, ลหลายอย่างทีเดียวนะ สร้างสติสร้างปัญญาอาศัยการได้ยินได้ฟังพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสุตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจิตตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ขวนทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบ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 บรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสนะสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังทั้งนั้นแหละแต่พวกเราไม่ได้มาศึกษามาได้ยินได้ฟังพวกเราจะเฉลียวฉลาดจะรู้จักสินรู้จักทําได้ยังไงอย่างที่หลวงพ่ออธิบายเรื่องสินห้าให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะแต่ก่อนพวกเราก็ไม่เคยได้ยินเออสินห้านี่ มีแต่พูดตามเป็นบาลีไปแล้วก็จบแต่บัดนี้ท่านพวกเราได้ยินสินห้าไม่ไม่อยู่ห่างไกลจากพวกเราเลยอยู่ในติดอยู่กับตัวของเราเขาเราเขาเราเท่านั้นเองนะในสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราคณะทายาทโยมศึกษาอาศัยการได้ยินได้ฟังต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นนะัดนี้นะ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 อปมาเดนะัมปาเดทาตีติวันนี้หลวงพ่อจะได้กล่าวสังเวทนิยกถาคือกล่าวถึงมรณะคือความตายพระ อ, องค์หลวงปู่ของเราท่านมรณะภาพตั้งแต่วันที่สิบเก้ามกราคมห้าหกวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดธันวาคม ห้าหแต่อีกไม่กี่วันข้างหน้าวันที่ห้ามกราคมห้าเจ็ดเป็นวันถวายเพลิงถวายพระราานชรีละขององค์หลวงปู่ที่บนเมนเพราะนั้นวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่พวกเราได้มารวมกันไหว้พระไหว้พระเสร็จแล้วก็สมาทานศีล จากนั้นก็พระสงฆ์จะได้สวดพระอภิธรรมมาติกาบังสกุลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ส่ก็หลายวันพอสมควรขอนั้นขอให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าให้เข้ามาฟังสวดและกับรับศีลในงานขององค์หลวงปู่เราหลวงปู่เราทำโคนระการให้กับประเทศชาติกับลูกหลาน ที่มาเกี่ยวข้องเพราะองค์หลวงปู่เราท่านอายุยืนถึงร้อยสามปีกว่ามีแต่ทําคุณให้กับลูกหลานลูกหลานเข้ามาท่านก็ให้ความเมตตาท่วนหน้ากันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่เข้ามาเป็นโค้งสุดท้ายก็คือองค์หลวงปู่ท่านได้จากพวกเราไปพวกเราก็จะได้ถวาย งานถวายเพลิงจริแลของหลวงปู่ท่านอันนี้คือเป็นหน้าที่ของพวกสิทธิานุสิ์ลูกหลานทั้งหลายจะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเ ว, วทีตาในองค์หลวงปู่ของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านเนอะให้มาร่วมกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่สี่มาทุกวันทุกวันได้ก็ดีนะและก็วันนี้เองวันนี้หลวงพ่อจะ พูดเกี่ยวกับมรณะคือความตายแต่ตามให้จริงความตายคํานี้ใครๆก็ไม่พึงปรารถนาใครๆก็กลัวกันทั้งหมดบางคนก็ไม่อยากจะคิดถึงความตายต่างหากเพราะเหตุไรเพราะความกลัวแต่บางครั้งก็เอาอดคิดไม่ได้แต่คิดเข้ามาก็เสียวเ อ, อใครๆว่าหวาดเสียวและกลัวในความตาย แต่ใ น, นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าท่านว่าให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่ตายจึงตั้งจึงจัดว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาททาไมพระพุทธเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตายคนที่ไม่ระลึกถึงความตายชอบมักใหญ่ไฟสูงคิดว่าตัเองจะอยู่ชั่วฟ้าดินฉลายคิดว่าจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน แต่ที่แท้แล้วเป็นความคิดลมๆแรงๆเออเห็นไหมพวกเราเห็นไหมใครที่ว่าจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเออเคยเป็นเอ่อจะเป็นนักการเมืองก็ดีพอค้าวานิชก็ตามจะเป็นใครก็ตามที่มักใหญ่ไฟสูงผลที่สุดก็นั่นหละถึงจุดจบทุกคนพนันพระพุทธเจ้าจีนว่าให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอถ้าระลึกถึงความตายแล้ว สบายนักคนที่ระลึกความถึงความตายสบายนักหักรักหักหลงในสงสารใครว่ารักก็ไม่รู้จะรักไปทำไมจะหลงไปก็ไม่รู้จะหลงไปทำไมผลที่สุดก็ใช้สติใช้ปัญญาใช้ในความคิดไปในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ลํำลึกถึงอยู่เสมอว่าชีวิตของข้าไม่รู้จะยืนยาวไปสักเท่าไหร่ ข้าพเจ้าไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปข้าพเจ้าจะพยายามสั่งสมคุณงามความดีให้มากที่สุดในชีวิตนี้เพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เลยว่าให้พวกเราได้ศึกษาดูซิว่าพระพุทพองค์บอกว่าตายแล้วไม่สูญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกระดับที่ท่านปฏิปักษ์ปฏิบัติท่านก็ยืนยันอีกอย่างนั้นว่าตายแล้วไม่สูญ หลวงพ่ออินล่ะหลวงพ่ออินกระบอกว่าตายแล้วไม่สูญเอาหลักไหนมายืนยันพวกดิฉันพวกผมอยากจะรู้ว่าหลวงพ่อเอ็นคิดยังไงจึงว่าตายแล้วไม่สูญหลวงพ่อจะอ้างตำรับตําราอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวเองก็เคยประสบการณ์มาอีกส่วนหนึ่งมาผนวกกันคือตหรับตําราก็คือพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไปค้นคว้าศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นแต่สายอื่นหลวงพอ่เอเไม่ได้ดูดถูกเหยียดติยามท่านนะถ้าใครจะรักษาอยู่ในสายไหนก็อยู่เถอะอยู่สายไหนก็ได้อแต่ว่าเหมือนกับเราทํามาค้าขายหลวงพ่อเปรียบเทียบหลายครั้งต่อหลายหนการทํามาค้าขายในโลกนี้มีวิชาหาเงินต่างหลายหลายอย่างเป็นตำรวจก็หาเงินได้เป็นทหารก็หาเงินได้พี่ปากสาอายการ เป็นพ่อค้าวานิชแต่และพ่อค้าก็หลายหลายอย่างอีกหาเงินได้ชาวไร่ชาวนาชาวรั้วชา ว, วชาวสวนก็หาเงินได้แต่ว่าการหาเงินของแต่ละคนนั้นมันแตกแตกต่างกันแต่ผลคือได้เงินแต่วิธีการหาต่างกันนี้ก็เหมือนกันหลวงปู่มั่นท่านหาอย่างไรสายอื่นท่านหาอย่างไรท่านก็มีวิธีกรรมวิธีการของท่าน แต่สาหรับหลวงพ่ออินเนี่ยศึกษาสายหลวงปู่มั่นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกกล่าวว่าวิธีการที่หลวงปู่มั่นแนะนำสั่งสอนสายนี้เนี่ยท่านทำอย่างไรเนะเหมือนกับวิธีการทำนาสมมติว่าสมมติว่าหลวงปู่มั่นสอนวิธีการทำนาหรือว่าสายหลวงปู่มั่นคือสายการทำนา ทําสวนยางอีกต่างหากนะมันจําปังหลังอีกต่างหากนะไรข้าโพดอีกต่างหากนะเลี้ยงสัตว์อีกต่างหากนะขายน้ํามันอีกต่างหากนะขายของชําอีกต่างหากนะเป็นข้าราชการแต่ล ะ, ะแผนกอีกต่างหากนะเนี่ยแต่หลวงปู่มั่นท่านยกตัวอย่างว่าท่านสอนวิธีการปฏิบัติของท่านเหมือนเปรียบเทียบก็เหมือนการทําทนาทํานาต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะผลในสุดขายข้าวได้เงิน เลี้ยงตัวเองอีกต่างหากได้เงินวิธีการทําทังย่างไรอันนี้ท่านก็สอนวิธีการแต่วิธีทําสวนยางทํำยังไงท่านก็สอนเขาก็สอนอีกของเขาเหมือนกันทำวิธียางทำนี้ๆเจาะกรีดยางได้ขายได้เงินอันนี้ก็คือวิธีการการทํามาหาเงินของเขาเนี่ยแต่เราจะไปตาําหนิดูถูกเหยียดยามเขาไม่ได้ เพราะเหตุเพราะว่าเขาก็หาหาเงินแต่เราจิตพวกเราท่านทั้งหลาย เ, เป็นพุทธบริษัทบางทีเราทำนานแล้วเราไปทำสวนยางไปทำไร่มันสำปะหลังไปทำไร่ขาร้าวโพดไปทำไร่โถเหลื อ, อ, อไปขายน้ำมันเราจะทำได้แล้ว เราทำไม่ได้เพราะนั้นเราจะยึดตรงไหนเราก็ยึดตรงนั้นให้มั่นคงถ้าเราเชื่อถือในสายหลวงปู่มั่นเราก็พยายามศึกษาในสายหลวงปู่มั่นท่านทำอย่างไรวิธีการทำอันนี้ก็เหมือนกันหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากรรมฐาน40นะฟังดูซิว่ากรรมฐาน40ที่จะทำจิตใจให้สงบนะมีอยู่40 40อย่าง ไอ้ค่ายๆวิชาอาชีพที่จะทํามาค้าขายนั่นแหะมีอยู่สี่สิบอย่างอย่างนี้เป็นต้นแต่พวกเราจะทําทั้ ง, งสีง่สิบาาาสาญญอย่างนั่นเหรอทํานาก็ทําทํำสวนก็ทําทําไร่ก็ปวดก็ทําเป็นขลังจัการก็ทําเป็นพิพากษาอาจารย์ก็การก็ทำอย่างนั้นเหรอไหวไหมเพราะเหตุอะไรเพราะว่ามันมากหลากหลายเราต้องยึดอาชีพใดอาชีพหนึ่งสักแขนงในขแขนงใดแนในขแนงหนึ่ง ในวิธีการดําเนินเรื่องมรรคเรื่องผลของพวกเราเราก็ต้องฟังอีกต้องดูอีกว่าหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นของเราหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายหลวงปู่มั่นของเรา เ, เมื่อท่านจุตินิรพานเมื่อท่านมรณภาพลงไปพวกเราได้ไประชุมได้พระราชทานเพลิงศรีระของท่านหรือได้ไประชุมเพลิง ร่างกายของท่านจากท่านท่านกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้กับพกให้พวกเราได้เห็นตัมตาตัมใจพวกเราก็น่าจะเชื่อถือได้ว่านี่คือสายพระรหันต์พ่อแม่กูบาลจาย์สายล่งปูมันคือสายพระรหันต์เราก็ควรจะเดินตามแนวแถวสายที่ท่านได้ผลมาแล้วเห็นมาแล้วส่วนจิตใจนั้นเรามองไม่เห็นมันเป็นนามธรรม แต่รูปประธรรมคืออัธิธาติของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้กับพวกเราได้เห็นอันนี้คือเป็นหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวไว้ว่าถ้าเป็นผู้ใดก็ตามถ้าท่านล่วงลับไปแล้วกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอันนั้นแหะคือกระดูกของพระอรหันต์นี่อันนี้ก็คือยืนยันกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกระดับ พันเป็นที่ยอมรับกันเนีเราขอให้พวกเราทุกๆท่านน่าจะตายใจ น, น่าจะเชื่อถือน่าจะเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงพ่อไม่ได้ยกยอปอปั้นว่าสายอื่นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีไม่ใช่ดีเหมือนกับหลวงพ่อบอกว่าวิชาอาชีพทุกอื่นดีทั้งหมดแต่ให้ทําจริงได้ทําอย่างแต่ทนะําหลอๆแหล่ๆแล้ว ทำนากับเถ่านั้นทำสวนกับเถ่านั้นทำข้าราชการเขาท่านั้ น, เ, น, น, าา เ, น, น เ, เพอเพอเลวเลวซ้ำซ้ำเพอ เ, เ, เ, เพอติดโคกติดตรางพราะคอรับช่วงคอรับชั่นอีกต่างหากมันไม่ดีทั้งนั้นแหละทำหลอหล่อเลยแหละถ้าทำจริงทำจังแล้วผลความจริงจังนั้นจะเข้ามาสู่พวกเราพวกเราจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจอย่างพระพุทธเจ้า เ, เรายกบรมครูขึ้นมาก่อนบรมครูของพวกเรา ที่ท่านได้บาเพ็ญอยู่ในป่าโดงโปงไปเมื่อท่านหนีออกไปจับเวียงวังท่านไปอยู่ตามลำพังไปอยู่บาเพ็ญอยู่ในป่าโดงปรงไปนี่ที่แรกท่านก็ไปบวชที่แม่น้ำอโนมาาทีจากนั้นท่านทรงผนวดแล้วท่านก็อยู่ปฏิบัติของท่านบาเพ็ญของท่านทดลองการบาเพ็ญครยๆว่าทดลองทำไรทดลองทนานาทดลองทำสวนลองผิดลองถูกลองถูกรลองผิด คล้ายๆกับว่าเราภาวนาเรายึดคดสาขานั่นเดา๋ยทุดพุดโทโธไปยังทุธรรมรไปไรมมยึดสังโฆไปยไังยึดการเลึกถึงศีลไปยังไงอนุสติสิบทนะดลองดูสิแต่พระพุทธเจ้าท่านคืนวันคืนที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเกิดฌานลำลึกชาติโถนหลังได้เนี่ยอันนี้คือพระพุทธไตจาแต่จะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราท่านก็บอกว่าให้ไปอยู่ในที่สงบหามุมสงบไปอยู่ในป่ารงพงไพปู่อยู่ในเงื่อมผาอยู่ในถ้าไง หลีกตัวไปอยู่อยู่ในมุมสงบอย่าไปคุกครีกับหมู่คณะให้อยู่ในมุมสงบในเมื่อเข้าอยู่ในมุมสงบอจากนั้นก็ให้นั่งภาวนาจะอยู่ในที่บ้านของเราก็ตามถ้าอยู่ในบ้านของเราก็อยู่ในความสงบเสียงวิทยุเสียงโทรทัศน์เสียงโทรศัพท์ปิดไว้สะกก่อนในขณะที่จะนั่งภาวนา มันจะรวยมันจะจนมันยังไงมันก็ไม่ใช่จะจั้ยจะลน้นจนในขณะที่เรานั่งภาวนาหรอกเพียงชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเอเราก็ปิดไว้ทั้งหมดซะก่อนในบ้านของเราเาว้นเสียแต่มีลูกมีหลานของเราเขาจะฟังเพลงฟังลัมก็เอือให้เขาฟังไปซะอตอนหัวค่ํำเราก็พักพอนอนไปก่อนอพอได้เวลามันเงียบสงบแล้วเราขึ้นมาเอาภาวนาส่วนตัวของเราหาหมมสงบจากนั้นก็นั่ง สมาธิเออเราได้นั่งในห้องพระก็ได้นั่งในเสลียงก็ได้นั่งอยู่ในมุมสงบอ่าจากนั้นใช้มุ้งครอบก็ได้พอมุ้งครอบเสร็จแล้วอะนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกถ้าเป็นไปได้นะครับคือหันหน้าไปทางทิศเหนือตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านชอบให้นั่งแต่ถ้าว่าเราหามุมอย่างนั้นไม่ได้เราจะนั่งหันไปทางไหนก็ได้ทั้งหมดในจักรวาลเนี่ย แต่ถ้ามีโอกาสเราก็หาันไปทางทิศ ต, ตะวันออกหรือไปทางทิศเหนือเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธียานั้นหันหันพระพักหรือหันหน้าเวลาท่านหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกแต่พวกเราท่านทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหรือครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้พวกเราเหมือนกันท่านนั่งถ้าหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออก หรือหันหน้าไปทางทิศเหนือจากนั้นก่พอพรได้ที่เสร็จเรียบร้อยปูอาสนะเรียบร้อยแล้วนะเราก็ขึ้นไปนั่งพอนั่งเสร็จแล้วก็ขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นปนมมือซะก่อนไหว้ครูซะก่อนคือไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ซะก่อนอธิษฐานจิตถึงพระคุณของท่านลรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เพราะการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ความคิดเข็นของใครเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราก่อนที่จะนั่งสมาธิเราจึงขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราประนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกอย่างนั้นไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆ ส, สามจบ จากนั้นก็เอามือลงพอเอามือลงกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธอันนี้แหละคือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นนะนะทีนี้กรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้านั่งคัจจมาธิที่โคลนต้นโพขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรูัว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้คือพระพุทธจเจ้าที่ท่านได้ตดรัสรู้ในวันเดือนหกเพนแต่หลวงปู่มั่นท่านนำมาแนะนำสั่งสอนเอากรรมฐานสองอย่างมาประยุกต์ใช้คือกำหนดลมหายใจเข้าและหายใจออกแต่ท่านให้บริกรรมว่าหายใจเข้าพทบริกรรมด้วยนะหายใจออกบริกรรมว่าโถเพื่อให สติของเรายึดถ้ามีแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันจะหลุดมันเผลอไปได้ง่ายหลุดไปได้ง่ายหลงลืมไปได้ง่ายถ้าหากว่าบริกรรมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโธมันจะเป็นสองพลังค่ อ, อกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยบริกรรมพดโทด้วยนี่แหละอันนี้ก็คือกรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเขาจึงบอกว่า สายหลงปุ่มมันภาวนาพุทโธเขาว่างันนี่แหละจากนั้นท่านเมื่อเราภาวนาพุทโธพยายามอย่าให้มันเผลออย่าให้มันหลงอย่าให้มันลืมถ้ามันหายไปก็เอ อ, เ อ, อพยายามมันหลงไปที่ไหนมันขาดทีติใช่ไหมมันคิดไปที่ไหนถ้ามันหลงไปคิดไปที่อื่นเอาดึงกลับมาเอามาหากรำาฐานเดิม แต่เว้นเสียทตว่าเรานั่งภาวนาเข้าไปแล้วพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วพุทโธมันหายเงียบไปอันนี้ก็เคยมีนะพุทโธมันหายลมก็หายพุทโธก็หายเ อ, อลมมันหายพอลมหายที่นี่นก็ตกใจเน่นทําไมลมหายฮก็พยายามง่วงเหียพยายามหาลมอีกนะสืบลมหายใจเข้าจมูกอีกเพราะกลัวตายฮะอง จากนั้นก็นั่งภาวนาพอลมหายใจเขาออกมนก็ย อ, ยอยากไปเลยพอหยาบแล้วก็พอนั่งภาวนาอีกมันก็หายอีกเพราะกลัวตายอีกก็ได้เพียงแค่นั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อมันเป็นลักษณะอย่างนั้นคือว่าเรานั่งภาวนาใจของเราอยู่กับพุทโธพุทโธแต่ลมมันหายท่านไม่ให้หานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า อย่าไปหาลมอีกมันหมดแล้วลมมันหายไปแล้วไม่ต้องหาลมให้เอาสติย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือตัวที่นึกคิดนั่นะใครรู้ว่าลมหมดใครรู้ว่าลมหมดให้เอาสติมาอยู่กับตัวที่ว่ารู้ว่าลมหมดอยู่จุดนั้นไม่ต้องหาที่อื่นให้อยู่จุดนั้นให้รู้อยู่จุดนั้นให้มีความรู้สึกรู้มีให้มีสติรู้อยู่จุดนั้น ไม่ต้องหาลมแล้วมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นแทนีดูมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่ตายหรอกจะไปตายได้ยังไงแต่ในเมื่อลมหมดแล้วก็หลบหมดไปไม่ต้องหาลมเอาสติมาอยู่กับตัวผู้รู้ oh. อันนี้คือวิธีการปฏิบัติจากนั้นใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบให้แนบนิ่งเข้าไปมากกว่าที่เป็นอยู่อันนี้คือวิธีการทำสมาธิแนวแถวสายหลวงปู่มั่นจากนั้นเมื่อเรานั่งภาวนา มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองจิตใจของเราก็จะรวมสงบลงเป็นหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถึงยังไงการพิธีการนั่งภาวนาต้องใช้วิธีต้องใช้ความอดทนนะต้องเอาใช้ความอดทนเป็นพื้นฐานไม่ใช่ว่าจะนั่งภาวนาพอหลอกๆลอกแหลกแหล้วก็หยุดไปไม่ใช่นะจะไม่เห็นผลเหมือนกับเราทําอะไรก็ตาม ทำมาค้าขายอันไหนก็ตามทำกิจการงานอันไหนก็ตามถ้าทำ เ, าเพียงไม่ตั้งใจทำเพียงจะสักว่าทำจะไม่ได้ผลการนั่งภาวนาของพวกเราก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราไม่จริงจังและไม่จริงใจถ้าเราทำใจต่ว่าทำมันก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิต้องพยายามนั่งให้นานนานเท่าไหร่ทดลองสิเอาสองสามชมมั่วโมงแต่เมื่อมีโอกาสบางครั้งนะ สมมติว่าวันบางครั้งไม่ใช่ทุกวันทุกครั้งหล่ะแต่บางครั้งทําเมื่อมีโอกาสเราก็ต้องบังคับตัวเองให้นั่งภาวนาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้สองสามสี่ชั่วโมงทดลองดูสิแต่บางคนก็บอกทํานั่งภาวนาทําไมจึงเจ็บปวดเออเราจะทํายังไงมันเจ็บปวดออปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวตามไม่จริงการตั่งที่ไหนมันก็ต้องเจ็บต้องปวดทั้งนั้นแหละ อ, อการทํามาค้าขาย แต่เราไปนั่งทาหน้าที่การงานมันก็ปวดเหมือนกันแต่เราก็ต้องอดทนฮอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละนั่งภาวนาจะไม่ให้มันเจ็บมันปวดไม่ใช่มันก็ต้องมีเวทนาอีกเหมือนกันแต่ว่าเราต้องอดทนเป็นพื้นฐานเมื่อเรามีความพยายา ม, า ม, า ม, ยายามได้อดทนในการนั่งสมาธิแล้วนั่นแหละเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบอ่าเป็นหนึ่งนั่นแหละ ตัวนี้แหละจุดที่เราต้องการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเมื่อจิตของเรานั่งสมาธิมันเผลอมันเผอไปด้วยอันใดอันไหนดึงกลับมาหาที่ดักงที่เก่าเออถ้าว่าเราเออพอนั่งเข้าไปแล้วมันจู่นิ่งก็ให้ดูดูดูในความสงบอืมในเมื่อมันสงบเออมันจิตสมาธิเนี่ยมันอยู่สามสามระดับ สามระดับก็คือขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอปนาสมาธิแต่ระดับไหนที่ท่านนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาระดับไหนก็ได้จิตไม่สงบเลยก็ได้จิตเป็นธรรมดานี่ก็ได้มาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างไงก็เห็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดมรณงเมภาวิสติให้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอคนเราเกิดมาแล้วต้องตาย ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ไม่ว่าเล็กือไม่ว่าใหญ่เหมือนกับผลละไม้ที่มันอึออกมาจากดอกและลูกเล็กๆมันก็หล่นก็มีลูกใหญ่ขึ้นมาหล่นก็มีผลในสุดลูกไม้ทุกลุกไม่มีลูกไม้ไหนที่อยู่ตลอดไปไม่หลน่นพวกเราเห็นไหมมะม่วงข้ามปีมันไม่หล่นฉเฉลยมีไหมนี่แหละถึง ครอบรอบของมันมันก็หล่นชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันเกิดมาแล้วก็ต้องนี่แหละอยู่ในกฎอนันใดจังเกิดแก่แล ะ, ะตายในที่สุดเหมือนกับผ ล, ลไม้นี่แหละอันนี้ก็คือการพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาร่างกายสังขารของตนเองร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าของเราเนี่ยพิจารณาดูสิอันนี้ก็คือจิตของเรายัางไม่สงบกว่าพิจารณาได้เป็นบางครั้งแต่ถ้าจะให้ดีทีไหน ถ้าจะให้ดีท่านให้ทำจิตให้สงบซะก่อนจิตของเราผ่านความสงบซะก่อนถ้าผ่านอัปปนาสมาธิได้ก็ยิ่ยงดีคือจิตของเรานิ่งจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตก็บสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เ, เมื่อจิตรวมสงบลงเป็นอัปปนาสมาธิต่มันจะไม่รู้ไม่สัมผัสทางกายนะ ไม่ได้ยินทางหูหูก็ไม่ได้ยินว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนอันนี้คือจิตที่เป็นอปปนาสมาธิเมื่อผ่านอปปนาสมาธิขึ้นมาแล้วมันจะมาถึงอุปจาระแปลว่าอุปจาระแปลว่าไปขับเคลื่อนหรือว่าอยู่รู้ว่าใจของเราอยู่ในอยู่ในระดับไหนแต่มันไม่หิวไม่หวยจากนั้นก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไร หลวงปูมั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่า้พิจารณาพิจารณาร่างกายเกษาผมโลมาขนหนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างพวกเราสวดเอออยังโคเมกาอยู่เมื่อกี้นี่เนะีร่างกายของเราเป็นอย่างที่เราสวดเราบรายายอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่เป็นอย่างนั้น พราะนัการพิจารณากวาให้พิจารณาอย่างที่พวกเราสวดเมื่อกี้นี่น่ะอายังโค้งเมฆกายอยู่กายของเรานี่แหละอุดทางปาทัตตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโศเกสามัตตกาเบื้องต่ําแต่ปลายผมลงไปตจาจะปริยันตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบให้พิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ย เ, เป็นอย่างไรมีกระดูกกี่ท่อนแล้วจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่ ทำไมเราจึงหลงร่างกายของเราเราจะอยู่ไปนานสักเท่าไหรใจในเมื่อเราพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาไตาโจหนังเนื้อเอ็นกระดูกเจือในกระดูกแยกส่วนแบ่งส่วนช้าแหละดูเหมือนกับเราช้าแหละอาจารย์ใหญ่อย่างนั้นอ่ะที่เป็นหมอนะ่ยคือเขาช้าแหละอาจารย์ใหญ่คือช้าแหละร่างกายของตนเองว่าร่างกายของเราน่ยเป็นยังไงเออมันเป็นคนละชิ้นละส่วนอันไหนคือของเรา ถ้ามันเป็นก้อนอยู่อย่างนี้ก็เป็นของเราแต่ถ้าหว่าใจของเราเส้นเลือดแตกเรือว่าเลือดไปอุดหัวใจหรืออะไรก็ต่านถ้าเราตายไปแล้วนะ่ะไปว่าร่างกายของเราตายพอตายไปแล้วนะ่ยร่างกายของเราคือใจของเราเนะี่ยเข้ามาอยู่ในร่างกายเนะี่ยครยาวขนาดไหนมันก็ไม่ไปเพราะว่าร่างกายมันตายมีแต่แข็งกระด้างขึ้นไปเรื่อย ผลในสุดอยู่ไปกันนะ่ะผุพองขึ้นมาเน่าเปื่อยเละลงไปสู่ดินน้ำลมไฟสู่แผ่นดินถ้าเราไม่เผาไม่ฝังนะร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะคณะสั า, ายาญาติโยมทุกคนนะให้วิธีการภาวนาเนะี่ยทำจิตใจให้สงบก่อนจากนั้นนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วได้อะไรทีนี้ ผลที่ได้ได้อะไรทําไมจึงให้ภาวนาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาที่ได้มักได้ผลท่านให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายร่างสังขารนี่มันไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่ง ร่างกายของเราก็จะเข้าสู่ดินน้ําลงไปแตกตายสลายลงสู่ดินน้ําลงไปคือดินไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ําลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟร่างกายของเราเนี่คือธาตุสี่ดินคืออะไรท่านบอกท่านเปรียบเทียบดินคือกระโดกที่ของแข็งอย่างผมและกระดูกของแข็งเนี่ยเป็นกระดูกในว่าธาตุดินธาตุน้ําคืออะไรพวกเลือดพวกปัสสาวะพวกไขมันต่างๆอันนี้คือธาตุน้ํา ธาตุลมคืออะไรธาตุลมคือลมหายใจเข้าหายใจออกทมลมในช่องท้องลมในลำไส้อันนี้ว่าธาตุลมธาตุลมธาตุไฟนั่นคืออะไรธาตุไฟก็คือทำร่างกายให้อบอุ่นทำเผาอาหารให้ย่อยอันนี้คือใช้ธาตุไฟร่างกายของเราเนี่ยเป็นอยู่ด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่แหละแต่มาใจคือมาอาศัยใจคือนามธรรม มาอาศัยกายมาอยู่ในกายของเราเรีวยกว่านามธรรมแต่ร่างกายเขาว่ารปูปธรรมแต่ใจเขาว่านา ม, มะธรรมหลวงพ่อกเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายเห็นได้ชัดเพราะทุกวันนี้มีวิทยาศาสตร์อย่างพวกรถอย่างนี้หลวงพ่อว่าร่างกายเหมือนกับรถนะลูกหลานนะคณะสัตยาญาติโยมนะร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับรถแต่จิตใจนามธรรมเหมือนกับคนขับรถ รถกับคนขับรถเนี่ยไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนันลูกหลานนะเป็นคนละอันกันแต่รถเนี่ยถึงจะมาซื้อมาดิบดีราคาแพงขนาดไหนก็เอะถ้าไม่มีคนขับรถเขา่านก็นะกไปไม่ได้อยู่กับที่เฮ้ยไปนั้นอ่ก่อนที่อย่างใช้เครื่องบินด้วยบังคับด้วยรีโมทคอมพิวเตอร์อันนั้นก็เมื่อก็ต้องใช้คนอีกเหมือนกันอใช้คนนะเป็นคนบังคับมัน ถ้ามัตามปกตนะิจอดไว้มันก็จอดอยู่ที่นั่นอย่างเก่านะั่นถ้าคนไม่บังคับอันนี้ก็เหมือนกันคนต้องเข้าไปนั่งในรถแล้วก็ขับรถรถจรึงจะไปสู่จุดหมายปลายทางนี้ก็เหมือนกันแต่นมามธรรมะเรามองไม่เห็นเห็นแต่รูปธรรมคือร่างกายแต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้นั่งภาวนานะ่ท่านให้นั่งดูใจ ให้ดูนามะธรรมให้มีสติสัมปชัญญะในเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วเราจะรู้ได้ใจกับกายกายกับใจเห็นได้ชัดเลยท่นี้รูปธรรมกับ น, นามธรรมเราเห็นโซเฟอร์ได้ชัดเจนว่าโซเฟอร์นะี่เป็นบุคคลสําคัญสําคัญกว่ารถพระพุทธเจ้าท่านว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายามโนก็คือใจคือโซเฟอร์นั่นแหละเออ เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, าติโยมทุกทกท่านนะใจจะต้องได้รับการอบรมจะต้องมีสมาธิอบรมใจไม่มีอย่างอื่นใจเนจะต้องมีสมาธิเป็นผู้อบรมใจสมาธินี่คืออะไรก็ย้อนมาหาที่ว่ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกบริกรรมพุทธโธในลมหายใจเข้าออกมีสติสัมปชัญญะ ในเมื่อเรากำหนดลมหายใจสติของเราอยู่ที่นี่เราก็เห็นได้ชัดว้ยอยู่ในที่กำหนดลมหายใจใครเป็นผู้กำหนดลมก็คือผู้รู้คือมันโนคือใจนะะั่นแหะเป็นผู้กำหนดดูรู้ลมจากนั้นใจของเราเห็นร่างกายใจา ก, กายกับใจเห็นได้ใช่หเพราะเรามีสติสัมปชัญญะจากนั้นใจของเราก็รวมสงบอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ หลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของมโ น, โนคือใจคือโซเฟอร์มากกว่าร่างกายท่านให้ความสำคัญสําเร็จแล้วด้วยใจฟังรู้สิมโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจปร ะ, ะขอให้พวกเราทําสมาธินาะตามแนวแถวสายหลวงปู่มัน่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอน ทำสมาธิทำยังไงกาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทนี่แหละคนที่อยู่มีพุทธโทในใจคือคนสร้างบา ร, รมีในจิตในใจเมื่อเท่าแกะชะาาไม่แล้วไปแล้วก็ไม่ว้าเวไม่อ้างวักไม่เงียบเหงาไม่ซึมเศร้าเพราะเหตุไรเพราะมีธรรมในใจข้าเกิดมากรรมของข้าแต่บัด น, นี้ข้าต้องใช้กรรมของข้าภาวนาไปเรื่อยเื พอถึงจุดจบโอชีวิตของข้าคงจะมาถึงเพียงแค่นี้หนอเอาละข้าพรเจ้าได้ป้มเป็นคุณงามความดีเต็มเปี่ยมแล้วละ่ะทําคุณงามความดีดีที่สุดแล้วไอ้ น, นี้เราก็มั่นใจอไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ได้เผยภาวนาะเลยมีสะสะแต่สแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวมีแต่เป็นห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงไปเรื่อยผลที่สุด พอถึงเขาวเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วล่ะ ว, วิตกกังวลว่าเว้างว้างาเงียบเขาซึมเศร้าคิดถึงลูกคิดถึงหลานนี่แหละพอใจขาดไปแล้วพวกเราจะไปที่ไหนทีไหนอาจจะมาเกิดเป็นหมูหมากาไก่กับเขาก็ได้นะทีนี้อยู่ในบ้านในเรือนเลยเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเมื่อเราได้เกิดมาได้พบกพกุพทธศาสนาแล้วควรจะอสังสมควรจะเรียนรู้เรื่องวิธีการ จะยกระดับจิตของเราให้สูงส่งขึ้นไปได้ด้วยอย่างไรในเมื่อเราภาวนาแล้วจิตใจของเราสูงส่งแล้วนั่นแหละเราจะไปสู่สวรรค์ชั้นไหนถ้าเราจะมาอยากจะมาเกิดในโลกเออมาเกิด เ, เราไปเลือกเกิดได้เลยคนไหนตระกูลไหนเป็นสัมมาทิฏฐิตระกูลไหนที่รวยๆเป็นสัมมาทิฐิด้วยเราเขาไปเกิดนะถ้าเราเห็นแต่เขารวยเฉยๆมาเกิดกับเขาขาเป็นมิจฉาทิฐิฮ้ ตระกูลทําความชั่วซ่าเสียหายเกิดมาแล้วก็เราเราก็เป็นพลอยไปทําความชั่วกับเขาไปด้วยผลในสุดเกิดมาก็นะั่นแหะเราก็เลยตายออกจากฉนานก็เป็นทุกตกนรกหมกไหม้ไปอีกได้ไง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนมีบุญเลือกเกิดได้จะไปอยู่สวรรค์ชั้นผมไปพักพรอนอยู่ก่อนก็ได้ก่อนที่จะมาเกิดเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ บุญนั่นแลจะพานำพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจา้าท่านตรัสไว้ว่าปุญญาณิปรโลกัตสมิงปฏิฐถาโหนติปานินังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนาเพราะนั้น อ, อ, อาตมาได้ยกเป็นพุทธภาสิทธิเบื้องต้นว่ามรณงเมภาวิสติให้พวกเราลําลึกถึง ความตายไว้อยู่เสมอจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าคนระลึกถึงความตายถ้าว่าพวกเราไม่คิดว่าตัวเองจะตายนั่นแหละเอออันไหนอันไหนก็โลภทั้งหมดเห็นใครก็โกรธให้เขาทั้งหมดเห็นไหนก็รักทั้งหมดหลงไปทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างพเรพราะเหตุไรเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะไม่ตายแต่ถ้าว่าพวกพวกเราคิดว่าตัวเองจะตายอยู่แล้วน่ะเออรักก็ไม่รักไปเพื่ออะไรเอารักไปก็โลคไปเพื่ออะไรพออยู่พอกินพอใช้พอสอย รู้จักแบ่งปันให้กับผู้คนทั้งหลายนี่แหละอันนี้คือจะรู้จักประมาณตนถ้าเราระลึกถึงความตายและท่านก็จากนั้นหลวงพ่อได้ยกว่าขยะวยะธรรมมาสั่งคาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาติขยะวยธรรมมาสังขาราคือสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะเกิดและกแก่เจ็บตายในที่สุดอย่างพะอยนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาณ ชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนควรจะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนกันเนี่ยไหว้พระสวดมนต์นั่นนงภาวนาทําจิตใจให้สงบอันนี้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็เนีช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างที่หลวงพ่อมาเนี่ยมาช่วยงานขององค์หลวงปู่อันนี้คื อ, อประโยชน์ท่านแต่ถึงกันยังไงก็ตามถึงจะประโยชน์ท่าน ก็ช่างสมบูรณ์กุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเร า, เาให้ได้ทั้งสองอย่างทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เ, เราเกิดมาในโลกนี่ก่นี่แหละให้สังสมจะตั้งอยู่ในความประมาทเน้อคณะจัตไทยญาติโยมลูกหลานพวกเราณว่าโชคดีมากทีไ่ได้เกิดมาในพบพระพุทธศาสนาในพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้เคยได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเรื่องศีลธรรมศีลธรรมจริยธรรมเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้พวกเราได้ศึกษานะให้พวกเราศึกษา เ, เมื่อศึกษาแล้วนะพวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติจากนั้นพวกเราจิตใจของเราก็จะยกระดับใจของเราให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยเรื่อยจนถึงมักถึงผลการกล่าวสังเวชนยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอำนาจคุณพษีรัตนตรยัยพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงปู่จามมหาปุญโญที่ท่านมีความเมตตาต่อลูกต่อหลานต่อคณะทา ย, ยาโจงทุกหมู่เหล่าในขณะที่ท่านยังชงทตาทงขันอยู่ด้วยบา ร, รมีของท่านทั้งหลายด้วยบา ร, รมีของ องหลวงปู่ทั้งหลายทั้งมวลขอให้มาคุ้มครองพวกลูกหลานทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกๆุกท่านด้วยเทอญ